เรื่องทรงอริยญาตความพร้อมเพียงกําหนดอาวาสเดียวต่อมาภิกษุทั้งหลายมีความคิดคำหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอุโบสดกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันแล้วดำบีว่าความพร้อมเพียงกันมีกําหนดเพียงไรหนอมีเพียงอาวาสหนึ่งหรือมีทั้งแผ่นดินจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตความพร้อมเพรียงมีกำหนดเขตเพียงอาวาสเดียวเท่านั้น